สองสัปดาหที่ผ่านมา ไ, มได้มีโอกาสอ่านหนังสือคิดถึงหลวงพ่ออันนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อเขียนบันทึกนะของลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระทั้งโยมคิดว่าหนังสือที่แจกเป็นของชํำรวยในงานสพของหลวงพ่อเนี่ยนะคงจะไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าขาด หนังสือที่เป็นรวมความเห็นประสบการณ์ของลูกศิษย์ทั้งหลายเพื่อช่วยทำให้ได้เห็นหรือได้รู้จักหลวงพ่อในหลายมุมแล้วก็ในรายละเอียดที่คนคนหนึ่งก็คงจะเห็นได้ไม่ทั่วถึงหรือว่ารับรู้ได้ไม่รอบ ด, ด้านหนังสือเล่มนี้นะก็มีหลายคนพูดคล้ายคล้ายกัน ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาประทับใจเมื่อได้มาสุกโตครั้งแรกนะก็คือว่าเมื่อได้มากราบหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะพูดว่านะมามามาบ้านเราท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวท่านยิ้มนะด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นนะมีเมตตาก็ทำให้หลายคนรู้สึกประทับใจ แล้วก็รู้สึกว่าการได้มาอยู่สุขโตนี้มันให้ความรู้สึกมันก็ว่าเป็นเป็นบ้านของเขาจริงๆบางคนนะพอจะลาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็พูดทิ้งท้ายว่าให้กลับมาบ้านเราอีกนะแล้วก็เป็นเหตุให้หลายคนนะได้มีโอกาสกลับมาอีกนะเพียงแค่กลับมาอยู่ที่สุขโต โดยเฉพาะเมื่อหลวงพ่อนะยังอยู่เป็นประธานเนี่ยก็ทำให้หลายคนรู้สึกว่าเขาได้อยู่บ้านแต่ในขณะเดีวยวกันเมื่อหลายคนมาถึงนี่แล้วนะก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะก็มาปฏิบัติเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวในขณ ะ, ะที่เดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยในสุด ก, ก็จะพบว่า จริงๆแล้วมันยังมีบ้านอีกอย่างหนึ่งนะที่ที่ประเสริฐกว่านะบ้านนี้มันไม่ใช่เป็นสถานที่อย่างสุขโตนะแต่มันเป็นบ้านในใจนะเป็นบ้านที่ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงนะบ้านภายในนี่อันนี้สำคัญกว่า กว่าบ้านที่มันเป็นสถานที่แต่ว่าบ้านภายในจะพบได้นี่หลายคนก็ต้องอาศัยความอบอุ่นของบ้านที่ชื่อว่าสุกโตนี้บ้านที่มีกรลยานมิตรนะมี พี่น้องหรือมิตรสหายที่แม้ว่าจะมากันต่างถิ่นแต่ว่าก็ได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมิตรภาพหรือความอบปุ่นมันก็ช่วยน้อมนำให้เกิดความภาคเพียรเกิดกำลังใจเกิดฉันทะในการปฏิบัติจนสามารถจะพบบ้านที่ประเสริฐกว่าบ้านที่เป็นสถานที่ บ้านภายในเนี่ยคือใจของเรานี่แหละนะที่มีสติมีความรู้สึกตัวเป็นเครื่องรักษาใครก็ตามที่มาถึงสุขโ ต, โตแล้วนะก็ควรจะได้มีโอกาสมาพบมารู้จักบ้านภายในนี้ด้วยเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงอย่างแท้จริง เป็นบ้านที่ทําให้เกิดความสงบเย็นถ้ายังไม่เจอบ้านอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ร้อนนอนทุกข์ได้ง่ายๆถึงแม้ว่ามาอยู่สุก osto แต่ว่ายังไม่เจอบ้านภายในก็จะอยู่ด้วยความทุกข์ก็ได้อยู่ด้วยความวิตกกังวลอยู่ด้วยความร้อนรุ่มหรือแม้กระทั่งจะกลับไปอยู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดหรือบ้าน ที่ตัวยังได้คุ้นเคยมาตั้งแต่เล็กก็จะยังมีความทุกข์อยู่ถ้าหากว่าไม่พบบ้านาภายในจิตใจของตัวอันนี้จะเราเป็นบ้านที่แท้จริงก็ได้นะบ้านที่มีสติมีความสึกตัวแล้วก็มีปัญญาจเป็นเครื่องรักษาใจ พวกเราก็ต้องาพากเพียนนะถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ได้อาศัยสุขโตนี้นะเป็นที่ทำให้เกิดความา ส, บสบายอกสบายใจแต่ว่ามันก็ยังไม่ปลอดภัยจนกว่าเราจะพบบ้านที่แท้จริงที่อยู่ภายในใจของเราเราต้องั่นทำความเพียนนะสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้น พระเจ้าตรัสว่าอยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่ที่นี่เนี่ยกม็มีคนมากมายซึ่งถึงแม้จะมีน้ำใจถึงแม้จะมีความเอื้อเฟื้อแต่ว่าการที่จะไปหวังพึ่งพาหรือว่าไปพึ่งพิงผู้คนอันนี้มันก็เป็นโทษเหมือนกันยิ่งไป รู้สึกขัดอกขัดใจได้ง่ายนะกับผู้คนที่อยู่แวดล้อมมันก็ยิ่งทําให้อยู่อย่างมีความทุกข์มากขึ้นนอยู่หลายคนก็มาอยูุ่กับอยู่คนเดียวนะเราเพยายามทําให้ได้จะไปส่งจิตออกนอกไม่ว่าจะไปเพื่อพึ่งพาผู้อื่นหรือเพื่อเพ่งโทษคนรอบข้างอันนี้มันก็นะไม่ใช่ สิ่งที่จะช่วยเราเท่าไหร่หลวงพ่อเล่าว่าสมัยที่เป็นค า, ารวาสเนี่ยไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนเป็นครั้งแรกเนี่ยท่านก็ถูกพระอาทิพไปปฏิบัติอยู่ด้วยกันเนี่ยใช้งา น, นแล้วก็หลายครั้งก็เป็นการใช้ในเรื่องที่ไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่เช่นให้ไปหาหน่อไม้ให้ไปปีนขึ้น เอามาขามป้อมนะมาถวายพระแล้วบางทีท่านก็เห็นพระนี่เล่นหัวกันท่านก็เกิดความไม่พอใจบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัวท่านเองนี่มีศีลมากกว่าพระซะอีกเพราะว่าท่านตั้งใจปฏิบัติมากแต่เห็นพระไหลรูปนะไม่ได้ตั้งใจแถมจะมาใช้ท่านทำโน่นทานี่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ เ, เรื่องที่สมควรเท่าไหร่ มีช่วงหนึงท่านคิดถึงว่ากลับดีกว่าอย่าอยู่เลยนะอยู่แล้วไม่ได้ปฏิบัติอยู่แล้วเห็นภาพที่ไม่น่าเจริญศรัทธาเท่าไหร่ที่จริงสิ่งที่ท่านเน็นก็คงจะเป็นส่วนน้อยนะนะส่วนใหญ่ก็คงจะตั้งใจปฏิบัติเพราะว่หลวงพ่อเทียนท่านค่อ น, อนข้างจะเคร่งครัดเข้มงวดนะกับนักปฏิบัติแล้วใครที่เคยปฏิบัติหลวงพ่อเทียนไม่ว่าจะเป็นที่วัดสนามในวัดโมก หรือว่าทับมิงขวัญ น, นี่ก็จะรู้ดีว่าหลวงพ่อท่านนะเข้มงวดมากออกใจใส่มากนะเดินตามไปดูตามกุตติอยู่เป็นประจำนะบางทีก็ไปสอบอารมณ์หรือบางทีก็ดูว่าพระหรือโยมตั้งใจปฏิบัติหรือเปล่านะคิดว่าตอนนั้นวัดปาบพุทธิยานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตั้งใจปฏิบัติแต่ก็มีส่วนน้อยนะที่นะ อาจจะไม่ค่อยได้ระมัดระวังสำรวมเท่าไหร่ยิ่งเห็นมีโยมมาก็ใช้โยมทำโน่นทำนี่ไปหาของกินมาให้อะไรเงี้ยหลวงพ่อท่านก็ก็เห็นภาพเหล่านี้ไม่พอใจจนคิดว่าจะหนีละไม่อยู่ละแต่แล้วท่านก็ได้คิดว่าเนี่ยเราจะไปสนใจคนอื่นทำไมเราจะไปดูคนอื่นทำไม เราดูตัวเองก็พอแล้วหรือไม่ก็ดูกับดูหลวงพ่อเทียนดูแค่2 อ, อย่างเท่านั้นแหละคือ ด, ดูดูตัวเองกับดูหลวงพ่อเทียนพอท่านคิดได้ชนิดท่านก็ตั้งใจปฏิบัติท่านก็ไม่ทุกข์ละแต่ปรากฏว่าไม่เกินอาทิตย์นะหลังนั้นท่านก็ได้เกิดรู้ธรรมขึ้นมาบอกว่าได้ความรู้อะไรามากมายนี่ในช่วงนั้นแหละคือช่วงที่ท่านวางใจได้ถูกนะแล้วก็ได้กำลังใจได้คำชี้แนะกับหลวงพ่อเทียน ที่ให้คำคำมั่นใจความมั่นใจกับท่านว่าเนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้อันนี้ก็เป็นแบบอย่างให้กับเราได้ดีทีเดียวนะว่าเราปฏิบัตินะเราอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากเนี่ยก็อย่ามัวแต่ดูคนนั้นคนนี้ไม่ว่าจะดูด้วยความรู้สึกฉันทะความรู้สึกพึงพอใจหรือว่าชื่นชมยินดี หรือความรู้สึกหรือดูด้วยความรู้สึกขาดอกขัดใจรู้สึกเกิดปฏิฆะนะอันนั้นมาทำให้เราลืมนะที่จะกลับมาดูตัวเองนะการปฏิบัติก็คือเพื่อให้เรานะมารู้ทันรู้กายรู้ใจของเรารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนั่นก็มีแค่นี้แหละการปฏิบัติ ไม่ได้มองออกไปนอกตัวถ้าจะมองก็ดูจากมองมองให้เห็นธรรมะเห็นเช่นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตร ล, ลักษณนะ์หรือว่าเห็นภาพน่าจะเห็นภาพที่ไม่ดีก็อเอามาเป็นเครื่องสอนใจว่าอย่าเป็นอย่างนั้นนะถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันเป็นการมองเพื่อนน้อมเข้ามาใส่ตัว จะมองภายนอกก็ได้ทามองแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วโอปะนาญโกมองนอกเข้ามาใส่ตัวเมื่ อ, อไหร่ก็เป็นธรรมะนะเพราะว่าโอปะนาญโกนี่เป็นองค์คุณข้อนของพระธรรมเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวนะเห็นคนเมานี่ยทามองแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวนี่ก็ก็เกิดปัญญานะหรือเกิดสติขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าเมาแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละ กลายเป็นยักษ์เป็นมารกลายเป็นคนโง่เกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่ามองแบบนี้ก็ได้ประโยชน์แต่ว่าวิปัสสนาหรือว่าความรู้แจ้งมันจะเกิดขึ้นจริงๆก็เกิดขึ้นจากการที่เรากลับมาดูกายดูใจรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นจริง ด้วยความรู้สึกเป็นกลางๆนะรู้สื่ อ, อคือรู้เฉยเฉยไม่เข้าไปยึดติดผูกพันเพลิดเพลินยินดีหากว่าเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจหรือไม่ผลักไสลังเกียจชิงชังหากว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ คิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างอันนี้หลวงพ่อท่านก็พูดอยู่เสมอก็คือดูมันไปดูตะพื้นตะพือก็คือวางใจเป็นกลางไม่บวกไม่ลบต่ออารมณ์คือรูปรกิ่นเสียงที่กระทบหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเสียงดังเราก็วางใจเป็นกลางมีเสียงไพร่เลาะเพราะพิงเราก็วางใจเป็นกลางไม่เครือเครืบ มีอารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความอารมณ์ปิติปราโมทย์เา้าก็ดูมันไปไม่ไม่เข้าไปเป็นไม่เพลินไม่หลงมีความขุนเคืองหงุดหงิดเา้าก็ดูมันไปไม่เข้าไปเป็นวางใจเป็นกลางนี่ก็เป็นหลักนะเป็นหลักที่สำคัญมากองการปฏิบัตินะซึ่งหลวงพ่อท่านก็ใช้ควาว่ารู้สื่อนะ นอกจากวางใจเป็นกลางแล้วก็ต้องวางวางใจให้อยู่ตรงกลางด้วยวางใจอยู่ตรงกลางหมายความว่าไม่ไม่ส่งจิตออกนอกหรือว่าไม่เพ่งเข้าในไม่ใช่ปล่อยใจไปจนคิดออกนอกตัวหรือว่ามาเพ่งเข้าข้างในอันนี้หลวงพ่อท่านก็เคยพูดหลายครั้งว่าท่านได้รับบทเรียนการชี้หน้าจาหลวงพ่อเทียนคราวหนึ่งท่าน ปฏิบัติอย่ในกุฏิปิดประตูปิดหน้าต่างหลวงประเทียนก็มามาหาก็เรียกว่าก็ถามมาทําอะไรอยู่หลวงพ่อก็ตอบว่ากําลังสร้างจังหวะอยู่ครับและเห็นผมไหมก็มีเสียงออกมาว่าไม่เห็นครับสมวงพ่อเทียนก็เลยถามว่าทําไมจะเห็นต้องเปิดประตูครับท่านก็เปิดประตูพอเปิดประตูมาก็เห็นหลวงประเทียนอยู่ข้างหน้ากุฏิ หลวงพเทีนถามว่าเห็นข้างหน้าเห็นเห็นข้างนอกไหมเห็นครับแล้วข้างในเห็นไหมเห็นครับนั่นแหละทาอย่างนั้นนะแล้วท่านก็เดินจากไปก็คือว่าไม่ปล่อยจิตออกออกไปข้างนอกหรือว่าไม่คิดจนฟุง้งนะไม่ปล่อยใจเข้าไปในความคิดจนออกนอกตัวหรือว่าไม่เพ่งเข้าไปข้างข้างในไปจดจ้องข้างนอกหรือไปเพ่งข้างในก็ไม่ถูกทั้งนั้น แต่ว่าก็ให้รู้ทั้งในและนอกก็คือวางใจเป็นกลางๆนะวางใจอยู่ตรงกลางไม่ใช่แค่นอกจากวางใจเป็นกลางต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่รู้สึกบวกไม่รู้สึกลบกับมันแล้วก็ยังวางใจอยู่ตรงกลางก็คือเห็นนอกเห็นในอย่างเดินจงกรมนี่เราก็ได้ยินเสียงนะเสียงที่ดังเข้ามาก็ได้ยินแต่ว่า ก็สักตะ ว, วันได้ยินเวลามีความคิดเกิดขึ้นในใจก็ออรู้ทันก็วางเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นไม่่าบุรรูร้หรก็รู้แล้วก็ไม่เข้าไปเป็นหรือปรุงมันในวัน ร, รู้ทั้งนอกรู้ทั้งในก็คงคล้ายๆกับเวลาเราเดินข้ามถนนนะนะเวลาเราเดินข้ามถนนเนี่ยเราคงไม่เอาจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าแล้วก็บริกรรมว่าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอ หรือไม่เราจิตไปเพ่งที่ลมหายใจแต่เราก็จะดูว่ามีรถสวนมาไหมถนนว่างไหมในคาที่เราเดินข้ามถนนเราก็รู้ทันใจด้วยเพราะใจอาจจะ ก, กาลังคุนคิดอะไรอยู่สักอย่างกาลังคิดถึงเรื่องงานการนะกลังคุนเคืองใจเพราะถูกต่อว่าด่าทอนีการที่เดินข้ามถนนเนี่ยถ้าเกิดว่าใจมันเป็นอย่างนั้น มัมวแต่คุณคิดถึงงานการหรือว่ามวัวแต่หัวฟัดหัวเวียนเพราะว่าถูกคนต่อว่าเนี่ยการข้ามถนนนั้นก็เป็นอันตรายมากจะข้ามถนนให้ปลอดภัยสวัสดีนี่ก็ต้องเห็นทั้งข้างนอกคือเห็นถนนว่ามันโลง่งแล้วก็รู้ข้างในว่าใจนี่มันกำลังคุณคิดอะไรแล้วก็วางมันลงแล้วใครที่ข้ามถนน โดยที่กำลังคุ้นคิดอยู่กับอะไรสักอย่างไม่รู้ทันความคิดนี่ก็อันตรายหรือว่าข้ามถนนโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ดูรถเลยเอาแต่ไปเพ่งที่เท้าไปเพ่งที่ลมหายใจก็อันตรายจะข้ามถนนให้ปลอดภัยก็ต้องดูรู้ทางข้างนอกและรู้ท้งข้างในนะถึงจะข้ามถนนได้อย่างปลอดภยัย ก, การเจริญสติก็อย่างนั้นเหมือนกันนะ โดยเพาะการจืนัิแบบลวงพระเทียนนี่ก็ต้องรู้นอกรู้ในแต่ว่าใจไม่ยึดอะไรสักอย่างเลยแค่รู้เฉยๆอันนี้เราก็ต้องนะต้องอต้องจับหลักให้ได้ไม่ปล่อยให้สิ่งภายนอกนี่มันดึงความสนใจหรือดึงทำให้ใจกระเพื่อมจนลืมตัวดึงความสนใจไปข้างนอกก็ไม่ใช่หรือว่ามันกระทบ จนกระทั่งเกิดใจกับเพื่อมเกิดการปรุงต่างๆจนหมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์ไม่มีสติก็ไม่ใช่เราต้องฉลาดด้วยนะฉลาดในการในการหาประโยชน์นะในการช่วยโอกาสหลวงพ่อท่านก็พูดอยู่หลายครั้งนะโดยเพพาะกับนักปฏิบัติเรื่จงการช่วยโอกาสนะนะท่านเคยเปรียบเทียบนะ ว่าโชยอกาสเนี่ยเหมือนกับแม่ค้าที่คอยขึ้นมาบนรถไฟนะใครที่สมัยก่อนเนี่ยรถไฟมันก็ไม่ได้รวดเร็วอะไรมันก็จะต่อตามสถานีเสร็จแล้วก็จะมีแม่ค้าขึ้นมาพอรถจอดที่สถานีแม่ค้าขึ้นมาแม่ค้าก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง3นาที่นาทีก่อนที่รถไฟจะออก แม่ค้าก็ขายของนะขายไปได้หลายหลายบาทใช้โชว์โอกาสเพียงแค่เวลา3นาทีห้นาทีก็ขายของได้ละหลวงพ่อท่านก็เอาเอ า, เอาภาพนี้แหละมาสอนนักปฏิบัติมาสอนไ้ให้รู้จัโชว์โอกาสแบบแม่ค้านะเวลาแค่3นาทีห้นาทีนี่ก็สามารถหาประโยชน์ได้แล้วแต่ว่าการ โชโอกาสของนักปฏิบัติเนี่ยไม่ได้โชว์โอกาสเพื่อหาเงินไม่ใช่เพื่อขายของแต่เพื่อสร้างสติเพื่อสร้างความรู้สึกตัวในค่ที่เรากําลังรอรถในค่ที่เรากําลังอ่ารอรถติดไฟแดงอยู่เราก็เจริญสติได้ในค่ที่เรารอพระตักอาหารเราก็เจริญสติได้นีมันมีเวลาให้เราได้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักโชว์โอกาส รวมทั้งโชว์โอกาสจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆในว่าจะเป็นความพูดคำจาของใครที่มากระทบอารมณ์ของเราจะเป็นคําพูดที่น่ายินดีไม่น่ายินดีอ้าวแล้วก็โชว์โอกาสมาใช้ในการฝึกสติว่าเราจะมีสติเท่าทัน ความรู้สึกหงุดหงิดที่เกิดขึ้นความรู้สึกไม่พอใจที่เกิดขึ้นได้ไหมหรือเวลายุงกัดนะเราก็เฉลยโอกาสใช้มันให้เป็นประโยชน์นะก็คือดูกายดูใจไปเลยนะอย่าให้ยุงกัดฟรีฟรฟรฟรนะบางคนยุงกัดแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ฟรีอย่างเดียวก็ขาดทุนด้วยก็คือหงุดหงิดไม่พอใจเกิดโทสะขึ้นมานั่นจะคนฉลาดนี่ในเมื่อยุงกัดแล้วนะ เราก็ใช้มาให้เป็นประโยชน์เอามาเป็นเครื่องดูมาเป็นโอกาสในการดูใจดูเวทนาแล้วก็ดูความหงุดดที่เกิดขึ้นเราจะรู้ทันมันไหมนะรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันไม่เป็นไรคราวหน้าเอาใหม่แก้ตัวใหม่ทำงานเราจะวางใจเป็นกลางได้เวลายุ่งกัดก็คือไม่โกรธไม่ชังมันเฉยๆกับมันนะหรือว่าถึงโกรธ ถ, ถึงไม่พอใจก็รู้ทัน พอรู้ทั น, น, นแล้ละมันก็มันก็หายไปไอนะ้ความไม่พอใจความเจ็บความคันยังมีอยู่นะแต่ว่าใจก็เป็นปกติต้องฉวอกาสแบบนี้นะต่อไปเราจะได้ฉลาดในการรับมือกับความเจ็บปวดหรือเวทนาที่มันแรงกว่านี้ต้องเลิก อ, อยู่เสมอว่าเราจะต้องเจอเวทนาที่มันรุนแรงนะรุนแรงมากๆเลยนะ อาจจะเวลาประสูอุบัติเหตุหรือเวลาเจ็บป่วยอย่างที่หลวงพ่อท่านป่วยเนี่ยท่านก็มีทุกขเวทนามากอันนี้เป็นธรรมดาคนเจ็บคนป่วยนะไปโรงพยาบาลก็เจอเยอะแต่ถ้าเราลองน้องเข้ามาใส่ตัวเออสักวันนึงเลยอาจะต้องเจอแบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเราจะรับมือไหวไหม ถ, ถ้าอยากจะรับมือกับมันนะ ก็ต้องมาฝึกตั้งแต่เดือวนี้ฝึกตอนที่เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยตอนที่เรายังสบายดีก็ฝึกจากนี่แหละนะเวลามีทุกขเวทนาเวลามีความเจ็บความปวดเกิดขึ้นก็ดูมันไปไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาเพราะแดดร้อนเพราะมีของแหลมมาทิ่มแทงหรือเพราะมียุงมากัดมันเป็นเรื่องจิ๊บจ่อยมากนะเมื่อเทียบกับทุกขเวทนาใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคต ถ้าทุกขเวทนาเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเรายังยังหงุดหงิดหัวเสียนะยังผ่านไม่ได้แล้วเราจะทําอย่างไรนะเมื่อเจอทุกขเวทนาความเจ็บปวดที่มันรุนแรงกว่านี้อัน <S <S นี้ก็เลยว่ารู้จักฉวยโอกาสนะมไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราดีหรือร้ายก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์เวลามีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นก็ไม่มัวแต่เพ้อเพลองหลงไหลได้ปลื้ม ลงไหลได้เพิ่มนี้ก็เรียกว่าการมาสุขาริการนิยโยนะเป็นสุดตรงอีกแบบหนึ่งเป็นความเพลินในกามาสุขเพลินในสุขหมมุ่นในสุขก็ไม่ใช่ถ้าเราเพลินก็แสดงว่าเราหลงละเราพลาดละต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมามีสติดูมันเพลินในความยินดีปรีดานี้ก็ไม่ใช่นะเพลินในความสงบก็ไม่ถูกต้องวางใจเป็นกลาง รู้ซื่อๆนะแล้วเจอเหตุร้ายนะ เ, เหตุร้ายนี่นผู้คนก็อยากจะผักสายออกไปแต่เราจะวางใจเป็นกลางหรือดูมันได้อย่างไรก็ต้องฝึกจากของจริงแบบนี้แหละนะไม่ใช่ฝึกไม่ใช่คิดเอาเพราะฉะนั้นพอมันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นหรืออนิจธาลมเกิดขึ้นก็อย่าไปตี อ, อกชกหัว ว, ว่าโชคไม่ดีทาไมซวยแบบนี้นะ ต้องลองมอต้องลองมอเออเนี่ยเขาเป็นการบ้านมาเพื่อฝึกให้เรามีความมีสติที่รวดเร็วฉับไวมีความฉลาดในการรับมือกับมันอันนี้เรก็รวมไปถึงการที่หลวงพ่อได้จากเราไปด้วยนะมันก็เป็นเหตุร้ายนะในทางโลกก็ถือเป็นเหตุร้ายเป็นอนิธารลมในทางธรรมก็เป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองแต่พวกเราก็ยัง เนื่องจากยังวนเวียนอยู่ในโลกนะ ก, ก็ยอมรู้สึกว่ามันเป็นเหตุร้ายเราก็ต้องโชวโอกาสนะมามาเป็นเครื่องเตือนใจสอนใจเราไม่ใช่สอนแต่ในเรื่องของอ น, นิจจังเรื่องของความไม่เที่ยงของชีวิตนะแต่ว่าสอนเราอีกหลายอย่างเช่นเวลาเกิดความเศร้าโศกเสียใจเวลาเกิดความรู้สึกเหงาวังเวง ว, เว้าเหเนะี่ยเออ แต่ก่อนเคยมีหลวงพ่ออยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีหลวงพ่อแล้วนะมันเกิดความเหงาหวังเวงขึ้นมาหรือความเศร้าเสียใจขึ้นมาก็ดูมันไ ป, ไปอันนี้แหละต้องเชื้ออกาศนะเชื้ออกาศ ว, ว่ามันมาแล้วนะก็เอามันเป็นการบ้านมาฝึกใจเราเวลานึกถึงหลวงพ่อนะก็ให้นึกถึงสตินะนอกจากจะนึกถึงความดีของท่านนึกถึงเมตตาของท่านนึกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านความ เสสละความพยยามันเพียรแล้วก็ให้นึกถึงสติด้วยนึกถึงความรู้สึกตัวด้วยคิดถึงหลวงพ่อทีไลก็ให้สติมันมันเกิดขึ้นหรือว่านึกถึ ง, น, ถงนึกถึงท่านทีไลก็ทําให้เราพยายามตั้งสติให้ได้ทําความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นถ้านึกถึงหลวงพ่อแล้วเกิดเศร้าขึ้นมาอาไลเหงาว้วาเววังเวงอันนี้ถือว่าเราพลาดแล้วนะ เรากําลังสอบตกแล้วเราไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อท่านเป็นเป็นสัญญณ์ของท่านก็สอนเรื่องสติสอนเรื่องความสึกตัวมาตลอดนะแล้ท่านก็ทําให้เราดูอยู่ให้เราเห็นเพราะฉะนั้นพอเนึ่องถึงท่านเมื่อไหร่ก็ให้นึกถึงสตินึกถึงความสึกตัวไม่ใช่นึกถึงท่านแล้วก็เกิดความเศร้าเกิดความอลไรอันนี้ไม่ถูกแล้วแสดงว่าเราโดนความหลงมาเล่นงาน ไอ้ความหลงเหลือวิชานี่มัคอยหาช่องนะหาช่องที่จะจู่โจมเราจะเรียกว่ามารก็ได้นะมาร น, นี่มันฉลาดในการฉวยโอกาสเหมือนกันนะในขณะที่หลวงพ่อสอนให้นักปฏิบัติธรรมว่าจะฉวยโอกาสเนี่ยส่วนมารเนี่ยมันฉวยโอกาสเป็นธรรมชาติเลยเผลอเมื่อไหร่มันก็จู่โจมนะจับจ้องครอบงําเร า, อ ย, าอย่างเช่นพอนึกถึงหลวงพ่อขึ้นมาก็ แทนที่จะนึกถึงสติหรือวความรู้สึกตัวมันก็มาชวนให้เราเศร้ามาชวนให้เราเสียใจมาชวนให้เราว้าวเวงหงอยหงอยเงาเราจะไปปล่อยให้มันมาชวนใหราก่กับร้องได้ง่ายๆนะนนพวกเรานี่ก็เป็นศิษย์หลวงพ่อคําเขียนนะคือว่าศิษย์มีครแูแล้วต้องฉลาดไม่ใช่ปล่อยให้ กิเลสหรือว่าความหลงหรือว่ามานี่มันมาช่วกากับเรากิเลสเนี่ยมันช่วกากได้ตลอดเวลาเลยนะแม้กระทั่งเวลาทำบุญเนี่ยทำบุญแทนที่จะทําบุญเพื่อลั ก, กิเลสก็กลับเป็นกลายเป็นการทําบุญเพื่อเพิ่มพูนกิเลสเนะช่นทําบุญเพราะอยากจะได้โชคได้ลาบแทนที่จะสละออกไปเนี่ยกลับอยากได้มากขึ้นเป็นการเพิ่มพูนตัณหาหรือว่ารักษาศีลแทนที่จะ จะเป็นคนที่สงบสำรวมถ่อมตัวเหงนแกตัวน้อยลงกับกายเป็นคนที่ถือตัวถือตนมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเก่งกว่าคนอื่นนะถือศีลมากกาคนอื่นเกิดมาหน้าขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเปิดช่องให้กิเลสปล่อยเปิดช่องให้อัตตานี่มันเข้ามาเล่นงานเรานมันฉลาดมากนะในการวโอกาส ที่จะดึงเราไปเป็นพวกหรือว่าทําให้เราเนี่ยตกต่ําไม่สามารถจะเจริญก้าวหน้าได้พอตลอดเจริญก้าวหน้าจนเป็นอิสระเมื่อไหร่ก็จะพ้นจากอํานาจของมารอํานาจของกิเลสมันก็ยอมไม่ได้มันก็พยายามที่จะหาทางครอบงํากํากับหรือว่าสกัดเราไม่ให้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติแล้วก็เนี่ยวิธีนี้ก็คือว่าเนี่ย พอนึกถึงหลวงพ่อเมื่อหลายก็เศร้าเสียใจนะไม่เป็นอันทรรมอะไรนะแทนที่จะว่าเออนึกถึงท่านแล้วเกิดสติขึ้นมาเกิดความสึกตัวขึ้นมาสลัดความเศร้าสลัดความเสียใจออกไปเดินหน้าตั้งตั้งใจปฏิบัตินะทำความเพียรอันนี้เรียกว่าฉวยโอกาสในทางที่ถูกนะแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ฉลาดนะ มันก็โดนกินเลสโดนมานี่เข้ามาฉวยโอกาสช่วงชิงเราไปจากนะการ เ, าเป็นลูกศิษย์ลูกพ่อคำเขียนออกไปให้ต้องรู้ทันนะต้องฉลาดให้ต้องฉลาดให้ได้นะเอาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเกิดความเจริญในธรรมยุนีขึ้นไปคำนี้ก็เปมือนท่านี้นะกราบพระ